เจ้าไมเด็ก้าวป้าจมไม้มีมากมายไล่พันอ่อหมากมายไล่พันนั่นแต่งแตวพันตันได้แตงแตวพันตันนั่นใบอันไม้ซากอ๋อใบอัลไม้ซาก ไม่แก้วนี้ไม่ก้ว่าไมแก้วไมกนั้นไม่ย่อนี่ไม่รักว่าไม่ย่อหม่รักพอนางควักอู้คว้างได้นางควักอู้คว้างหอดอกคางผุดซาเออดอกางผุดซา นัลมาปริงนี่มาปราอยุงยางนาตะเขียนอยุงยางตะเขี ย, ย, ย, ขยนนีตะแบกตุเรียนอว่าตะแบกตุเรียนาัลไมเนียนสว่างเออไมเนียนสว่าง บี่หมง่ลังซับนี่หมางลัันั่นหมวดนี่หมายาว่าหมาวาดหาานั้นหมว่ามังคุดได้หมว่ามังคุดนั่นหบหมดจำปีเออหมหมดจำปี นั่นมาครูดีมาเนา ว, ว่ามาครูมาามร ด, สมสดม า, า, ดสมสาน่านั่นมาเปล่าส้มซาอได้มาเปล่าซ้มซากนั่นขนุ่นหน่อยนา้าว่าข้นุ่นหน่อยนา้านั่นจำป้าไม้ ย, ยี่จำป้าไม้ ย, ยี่ นัลมายมนี่มาดันว่ามายมนัามาดันไม่มารุมรุมพีว่ามารุมลุมพีนัลมากอกนี่ลินจีว่ามากอกลินจีนัลนนตีไม่เนียงเออนอนตีไม่เนียง นั้นไม่ต o มนี่ไม่ตังว่าไม่ต้มไม่ตังอ๋อไม่รั้งน่าไม่จ้วงว่าไม่รั้ง i ม่จวงนั้นไม่ต้อนไม่ม่วงอ๋อนี่ไม่ต้อนไม่ม่วงอ๋อ a ม่ม่วงไม่เรียงเออไม่ม่วงไม่เรียง นัลไม่มดนี่ไม่โตอ๋อไม่เมดไม่โตนัลไม่โตไรายเรียงว่าไม่โตไรายเรียงออแดดโอนเปี่ยงเปรียงออแดดโดนเปลี่ยงเปลียงเดีเตียนเปียงพงเพรเออเตียนเปลียงพงเพร เดียวนี้ทัลไม้ว่าเดียวนี้ทัลไม้อนิมัลไม้กอยมีโอวามลไม้กอยมีนั่งคอลคนตั้งปีคนเราคนตั้งปีเดไม่มีไม้ไรเออไม่มีไม้ไร อเลือดแต่วัวตแล้วห้หนึ่งตัววาวใจได้ป้าใหม่ของเมืองเอยมองต่างในกะลงเตียนเส ล, ลียวยาเธอ นกพกพิลเดมายบิลนีกลจัตติไอนออกเป็นคอลคังเอลมีนกข้างกรงเดช่งเสียงดังไลยตัวจังแสงแสเโดออยู่แอ like ้า เสยนกเข้าจุกครูแล้วอยู่ไกลไกลฝั่งเสียงไม่ไปรอรอเป็นวัดนกดูว่าวร้องได้แต่แต่ไม่จัดนอกอยู่หาดํำเป็นเส้นลำเคน นกคุรทองมองหาแล้วหนะ้าคนเลียงอานเปลี่ยงหมดแล้วโด น, ก, ก, นกแก้วนนกแก้วเล่ากล่าวโตวก็รอตายเป็นตุกเจ้าเย็นนกกระซาออยืนหนางอง นกกระเรียนเชียนเ ย, ยนนี่เปอากาตตรมาจาตินีไม่ดีโน่นกแพ็ด น, นามยากแลนหนามนี่แต่น้ำไม่พอยืน่นจูโก้เองได้หมดแรงบิน เสียงนอกกรงซ่องเสี้ยงกระจำอย่างว่านปากลมพานตึงเจ้าคองอปองตะวินอ้อปล่อยเธอจ่าปล่อยเธอจาแล้วนาได้ยินงองไงนกบินกลับสู่ป่าอ้อเธอนาไนแล้วใไงนกบินกลับสู่ป่าอ้อ นองชาแกงไกยนองชาแกงไกนองใจเสื้อแดงแล้วไม่แรงสักคำปีเดินรอบมาห่อวังชาพูดด้วยวังชาพูดด้วยคนช่วยเติมองอะปีเดินปน้ำจะเลง ปบลุงมังแกนังหน้าดำแกนังหน้าดำพูดคำเดียวว่ามึงเล่นมาไซปบลุงแกนังหนาดำคำเดียวว่ามึงเล่นมาไคนโลกก้าวช่วยพูดด้วยตำยิงพูดด้วยตมยิงน้านิงไลลลึกน้ำดำคึก่ำยัยน้ำนิงไลลึกน้ำดำ แรงกันเพราะเพราะให้ป่อเก้าใจย์ให้ป่อเก้าเจผู้ไรย่ำแขกก็ไม่เด็กตัวกลัวลุงมังคือปลาต่ำตาวางโตต่ำตาวางโตโมเปราอเพร้อนะตำเป็น หั้มไปเลือนหัวเดินตัวสั้นสั้ๆๆน ก, นกั้นไม้กันมือโลกเจ้าลุงมังพี่ยังลงรักพี่ยังลงรักเมื่อควายจบรักก็ไม่รปัน พี่จ้ามาข้อเดตต่อปลกต่อรือเพราะน้องคือคนดีน้องเออดีมีรัก อน้องนั้นโตเป็นกองได้พบน้องวันนี้เศร้าดีใจนักตอนเป็นเด็กๆอยู่กะพี่รู้จักไหวพมทักเปียกคูน้น่องดูช่วยดี ประทม้มเรียนมัธยมนอ้องวายพ้มสันส่วยก้าวขันดารานุน่ยทีวีซีหนึกถึงตีจำได้่อนานหลายปีน้องตอนนี้เรียนมาวิทยาเลย น้องยิ่งโตนะายิ่งช่วยแล้วด้วยซะเน่ความก้มแก่ข้าวคันน้องช่วยตานส ม, มนอกเครื่องแบบในเปชชลนี้อันวิเลยนางเจ้าใจยังอายแล้วเมื่อย่ใกล้เธอในเครื่องแบบนัก ย, ย, ยิงยงบบกง่าก็จางาต้ม ในตออาคมแว้ว า, าวเศร้าเสมอเป็นดาวรุ่งที่เรืองรองนั้ป้องเลิดเลออยู่ใกล้เติดรดชื่นยิงเออตั้งคืนวันน้องยิ่งโตน้ายิ่งสวยแล้วด้วยความเศ้ารุมร้างราวนางฟ้าโดมาจากสาวัน อเตปปะบุตรยามปีแล้วตีปูฟันตีปูฟันนอนเปิกฟันตึงเตอ้งอ๋อเจเอตม่าหนองเออ กระเพรารสเม่น้องแต่งตัวเตเป็ล น, นักซาความรู้พี่แกปอกความรู้พี่แกพอกเนื้อตัวกกปรอกอนรอดไปมาน้องเรียนอยู่ที่วอค ขอต้อรับในสองกรานต์ไร้วันปีใหม่เอลนองไร้เดือนปีใหม่เอลนอตั้งใจคอยมองอยากญาเอลนา อ, อนองไปอยู่ในกันนองไปอยู่ในกันนองไร้เดือนปีรอรอนอนกลับมา พันพน้องจึงอ้นวนจั ง, จงเอ็นนาเอ็นล้างรองดังอายาน้องเรียนยังไม่ตันจบนอ้องคงไปพบผู้ชายอย่างวา ทำให้องอบอกได้ไหมนะน้องบอกเด็กไม่มีพอตออกอตองลงปีก็เป็นพอเด็กดี ว, ว่าโอวาตตกลงปีก็โอเป็นพอเดกเสียดีว่านออ่อย ไว้บเ้าเก็บไวุ้กันเตรียมไว้ไมไ่ขาดรงเริมประจ า, านจะานาไ้่ดงเจิมประ ช, ชานจานาอว่าประององค์เจ้าวอกโดยเรียนไตยปีดอกพระธรรมมา ตอดศาสนาขององค์ธรรมาจำพุดเลยศาสนาขององค์ธรรมจำผุดยามเอ้ยนิยามเตียงแกงเลียงแมงลักกับพักสดเลยยามเตียงแกงเลียงแมงลักกับพักสดติมเทืองแกงจอมใส่ปลาคอตมันยอดร้อยดีเป็นตีชุด อาบดามเอ้ย ไ, ไอรอ้อนนั่งกินายตอนหรือตายมุดเ อ, อย้ยไอรอ้อนนั่งกินไตต้นและตายมดแกงคําปลากรดรสไม่หยุด ต, ตึงจุดเอมจังต้องนั่งปากาเอ้ยไม่หยุดตึงจุดเอมจังต้องนั่งปากอ่อยามเอย้ยแม่เอ้ยนี่ยามเย็นนั่งเล่นเพลงตับกับโนโรา จะไม่นีไม่มีเจอแต่งตัวเปิดเปิดไม่เป็นลักเออเออ้งกางเครื่องมาเต้นเล่นกองรักแล้วเชื่อมชักเตียยชิ้นลาปินตายอ๋อยามเอ้ยยามกำอัตรนโนราแบปโปรัน พอตรํากูกับนายพรานตามหาโนราไมา่ได้โ อ, อ้ยิ่ง ห, าาห้างเครื่องไม่ลบบานไม่ใจพลงานโนราจาับบาาานต ร, รัมเบปโบราณกลูต้อนวยย้ยยิ่งใจนิยมจมโนร า, <บ>า เดวแม่นาเด็ดปมจะก้าวมาว่าอบุลติบก้าวนี้มานั้งเล้วตังเลี้ยวตั้งเลี้วไม่ทั้มีไม่จริงไม่ทั้มลยแต่ว่ามาปลูกดีปลีออปลูกดีปลูกดีปลีเด็ดปลูกคือทีีตอนตอนสีตอนว่าสี มานังไม่ทํำสีลูกดีปีเด็กซีตอนอ๋เอ้มานังไม่ทําสีปลูกดีปีนด็กซีตนลนองเอ้นีปีเด็กซีตนละนงดีปีเด็กซีตอนมานังไม่ตําสีปูกดีปีเด็กซีตอนอ๋อตรงนี้ต่าแลวนี่ว่าต่ำปลูกไว ทางนี้ก็ปลูกวายปลูกวายไม่กัดต้น응 <SI เด่ไม่กัดโ้นออดีปลี้ตี้ตนมาตี้ตนตี้แล้วนี่ตี้ตนมาตี้ตนออ่าพ่อกินพ่อนี้ป่อกินออดินพ่อกินว่าปลูกวายไม่กัดต้นออดีปลี้ตี้ตนแล้วได้พ่อกิน ไม่กัดกนมีพรีที่ตนมาปกกินนอเออที่ต้นรอยกิน ล, ละน้อที่ตนได้ปกกินว่าปูกว้ทไมเสียพอาที่ต้นกันได้บกกิอนอก อ, อกมาแล้วเด็กพอออกมานั่งล้วมานั่งมา น, างมานางังกลางทีต้องอ น, นังเล้วไม่จำศี ไม่จริงไม่ทำจริงเด็กกลายตนดีปลีอ้อนี้กลายตนดีปลีเอาเรามาปลูกกี on, uh, ม好好 <S <S ิลปลูกนี้ป <lich> ล oh, ูกกีมิลปลูกกีมิลว่ามานั่งไม่ทำปลีกลายตนดีปลีแล้วปลูก ต่ำ m, ตามแล้วนี่แกงต้มเอมาแกงตมร้อยเดมันร้อยลินร้อยลินออจาดมันร้อยลินเออมาร้อยลิลเดเจาวตายจบกินเออมาจบกินอ๋อตึงแม่ก็จบกินแม่จบกินน้องนัางก็จบกินจมกินจบ เราชอบกันตัวไปตัวไปตัวไปตัวด้อตัวไปอมาตัวไปออตัวไปเด้แกงต้มร้อยลินเจ้าตายจบกินนะกันตัวไป ชอบกิลดูช ตั้งยิ่งใาจงจำไว้เป็นคำตั้งยิ่งใหญ่จงจำไว้เป็นคำตั้งยิ่งใหจงจำ้เป็นคำุนตอนปู่ครูกลอนจำได้ไม่ยากตันซออในฟังโปรดระวังเบีย้ยใจแล้วงายมันคงโปรดระวังเบีย้ยใจง่ายมัน ประจบเด็ให้กระบาทใหญ่ขาดสิงกล้องแล้วต้องปลาตรงใหญ่ขาดสิงกลองต้องปลาตองให่าดสิงกองต้องปตรงมีเงนน้อยใจน้อยน้องเอหนอแล้วคอยบันจงอย่าใจลงให้มากเดียวจะยากนะอยลงใหาจะจะยากนะอย่าใจลงให้มากจะยากนไม่กลัวื้อยาไปน้องเอหนุอ ไอเป็ลมือเป็ลคร้านาตั้งก้าวันเป็้านาตั้งก้าวัเป็ลมือเปิานาตั้งก้าวันสมัยนีคนจนจริงเสียแล้วญาตินั่นต้นหน้าบ้านนั่งกินข้าในร้านเดจารารยน้าในร้านเดจารายกินข้าในร้านเดจารายจ้าลาโรยญาติเดจาลาโอย มีนู่ก้อยปอนตอนกิลกาวปากเน้าวุราแล้วนึกว่ารอย่าสบ โด่งไอกกบอยแบงค์งารวยไง้เจ้าเจอแล้วกำเริบรีดแบงคงารวยไอ้เจ้าเจอกำเริบรีแบง์ารวยไอเจ้าเจอกำเริบรีโอรวยอยู่ได้ไม่นานป้านเงินหมดกลับบานอดเมียดาแล้วป้างุดงี้าต้ เปิดข้าวกับน้ำจุบนันจุมมุดปิดได้จุมมุดปิดอ้อยวันกิดถึงคนปนโอตอนนี้เงินว่าตอนนี้เงิน คงมาโนนนี่คนเขี้ยนบทเป็นกรอนซอสหนองบุญติบยิีมาโซ่โดนโดนหนองบุติบยีมาศิลป์จ้าวตายก็เราได้ยืนยงทห้โนรามันคงเดียงยืนน้ำให้โนรามันคงยงยืนน้ำศิลป์ปากร่องจิ้นเป็นศิลป์รุงสุด ต่อเป็นสูดปันปูกแล้วตึงลูกลา น, ต, นตุดปันปูกล้วตึงลูกลาต่อเป็นสูดปันปูแล้วึงลูกลาลูกบุญทิปมีชื่อได้ลือทั่วบ้านใครมีงานมีการแล้วรับกก้ารไปเงนินงิน งานใหญ่อิ่มยาอ่างงานตาดำนาแดงงานนอกแซงนองติมนี่งานน้องใหญ่งานน่องใหญ่งานนองแซงนองตีมงานน่องใหญ่งานปีนิมปีนวลโดปีชวนปีไฟงานตาไค่ลุงข้ามเหล้วรับพมมา งานบุญงานบวชเด้งานชวดยันต่างงานวัดงานบ้านแล้งานปาป่างานวงานป้าป้างานล่องโบวถล่องสายเด้ล่องฟ้าลางานเดือน1ิบเดือน้าแม่คอยตาแล งานราดงานรัดก้ามากันโกงลูกบุลติบรับรองไม่ตำแซ่บบุลตรับรองไม่ตาแท่ลูกบุลติบรับรองไม่ตำแซ่บ้านจังตรงไปพบได้ก้ามายงอเงออไม่งอเงอค่อยตาเมค่อยจมอบุลติบพม่ารามว่าค่อยตาเมค่อยชมบุญติบพม่าราม เดอก